เวลาเข้าธนาคารถ้าเงินไม่ตรงตามบัญชีฉันต้องมีคนขมโมยอก็ อ, อะไรไหมครับแคั้นถือว่าเงินที่ญาโยไปให้ทุกบาท ท, บา ท, ทุกตางค์เป็เงินได้ไมันจะความเหนื่อยอยากอาแล้วแบการที่สองก็ทําเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังบูชาถ้าพลาดไปชั้นลงอเวจีหลงพ่อเหรอลงเป็นแ้่ก่อนที่จะไปนะั้นจะบอกลุงแล้วนะหลับว่าโย่งทรงไปแทงก่อน ยังไงยังไงยกทสงหน้าทีมใช่ไ้มก็รวมกางว่าข่าวเนี้ยไม่ทราบว่ามมาจากไหนที่บอกว่าคนให้ยาฉันยําเบลอไปเลยแต่ความจริงเรื่องยาที่พี่เล่าให้ฟังมันฉันเป็นคนชอบป่วยครับอ๋อชอบป่วยนะชอบมั้งโมตนาสาธุไม่ชอบมันก็ป่วยบอกชอบเท่าไหรทั้งหมดเรื่องเลยเพื่อได้เบาๆใจอถ้าเราเป็นศัตรูกับมันมัเอาหนัก เป็นพึ่งมันเบาหน่อยโ oh, อ้จะได้เข้ า, า, ข า, าใจก็ได้เรื่องยามีว่าถ้าหมอให้ยา ม, มากลับถ้าฉันลืมไปวา่ายังใช่อะไระถ้าไม่เก่งชาติถ้าฉันก็ไม่ฉัน oh. แล้วก็ประการที่สองก่อนที่หมอจะให้ยาฉันจะถามพุทธเจ้าก่อนใช้ยาอะไร oh. ถ้ายาขนาดนั้นพุทธเจ้ารองก็ดีถ้าโกมรารพัก ร, รับรองแล้วไม่เสียรับรองฉันจะฉันไม่งั้นฉันไม่ฉัน รับรองซะก่อนนะท่านเดนมาทิยาอธิบายคุณภาพไปฟังถ้าก็เป็นไปตามนั้นอแล้วก็ฉันบางวันฉันน้อยไปเป็นเด็กศึกไม่หลับจะบอกเตอมอีกนิดนึงบางวันบอกเต่าฉันเท่านี้นะยายถึงเท่า ถ, ถึงวันนั้นอะไรก็รวมความว่าคนที่ออกข่าวก็เป็นคนเลวคนที่เชื่อข่าวก็ช่วยกันเลวก็วไม่ใครส่วนดู ก็พระเจริญกรรมฐานอย่างฉันอย่าไปขันมันเจริยเห็นไหมได้ครับแต่ว่าจันเนื้อจะเนี่ยต้นข่าวลายจันเนี่ยโอ้นี่เหรอครับไม่จะข่าวเรื่องนี้คุณละเรื่องเอ้ามาแการลักเตรียมจะซ้อมแล้วคือเรื่องมูลนิธิหาทุนมูลนิธิต้นข่าวอ๋อที่ไหนที่วัดท่าสุ่งที่ท่าสุงท่าสุ่งข่าวเหมือนกันอย่างงี้ไม่ซ้องแ โอ้ยอ้าวได้ได้เลาไปอเวลาหมดไปหลายนาทีอนี่เล่าโยมฟังนะเพื่อจะได้ทราบก็ข่าวอย่างนี้หลายๆเรื่องมอันออกมาหลายๆเรื่องจะคิดว่าถ้าเรื่อง น, นี้ถ้าไม่พูดญาติโยมก็จะเฟือเกินไปมันมาจากฝ่ายตรงกันข้ามเห็นไหมแล้วก็คนที่พยายามจะลงนรกเห็นไหมว่าถ้าไม่ยับยั้งจะลงหนักกว่นี้อนะไอ้คนที่เชื่อแล้วก็พยายามจำไว้นะว่าข่าวนี้ไม่จริง เราะว่าอะไรไหมก็ตามกันไปหลายคนแล้วโอ้แลนอนนอนอยู่มื่อกดวันจ้บอกเอ้ยไม่กระตุ้นขาวไม่ไหวแล้วว่าไอ้ลูกดีๆเขาพลอยไปด้วยไอ้ดีเขาดีมีไอ้คนที่พูดเราก็เชื่อว่าเขาดีเห็นไหมหรืว่าคนนั้นเขาดีเลยเชื่อเขาอีกมันก็เลยไปเลยย่าอาจารย์ไม่ให้ไปไม่ได้นะลูกทำไมครับ เลี้ยวบวชชงวชีหลุดหมดให้พู้เยียงค่อยๆไปสวรรค์ห น, นีไปสวรรค์หมดจําไม่ได้ว่าใครพูดจะเลิกไปหมดเลย <c oughs> อธิบายฟุ้ง <c oughs> ว่าไปเลยเวลาไม่<อ>ไม่กี่นาทีไปไม่เป็นไรครับก็ถือว่าคุยกันไปบ้างถามไปบ้างปรับทุกความลงสุขไปบ้างอ่าโปรดจําไว้นะเกี่ยวกับหลวงพ่อเนี่ยจะไปแอบไม่ได้นะนึก้อก ม, มากตรงนี้ยกไปตรงโน้น เลี้ยงยกสองนายน้ำดุ่มไอแอปปูป๊วายวาอ้าวอ้าเอาอีกเลยวุดปุ๊บแม่ดีดวงดีโอ่ารายการนี้ไปต่อรายการหมากครับใบหวยอครับอคืออย่างนี้ผมผมมีเรื่องยืนยันเมื่อวันมาค่ะเนี่ยเอ๊ะเล่าเล่านิดหน่อยนะครับประกอบว่า คนไหนที่ไปตอแยละลาบหลวงหลวงพ่อแล้วก็จะมีเหตุคืออย่างนี้เอาแบงกไม่เป็นไรเหลือไม่เหลือไม่เป็นไรขอให้มีกันกันขณะที่หลวงพ่อไปฉันเพล ย, ยังไม่ลงนวราชนะเมื่อวานมาค่าเนี่ยในผมบันทึกไวาเนี่ยพอดีผมกำลังรับประทานกินข้าวอยู่ที่ร้านแม่กินตีอ่ะเอาสองอย่างอเอาสองอย่างครับ มัคนควรจะสามอย่างครับแล้วประานกินข้าวสองอย่างครับถ้าทานกินแดกข้าวสามอย่างย <c oughs> ้ายลงล้างล่างแล้วทนได้ท <c oughs> ีนี้ก็ปรากฏว่าท่านผู้หนึ่งมาเล่าให้ฟังบอกว่าข้าราชการมีตำแหน่งไม่เบานะจากกรุงเทพจะย้ายไปอยู่ที่อุธายาธานีเพื่อนก็เลยแนะนําบอกเอาอย่างนี้สิถ้าไปอยุทยาธานีนะนี่มีหลวงพ่อเจ๋งๆเจ้าองค์หนึ่งอยู่ ว, วัดท่าทรมอย่างนั้นเหยเขาคุยสัมพันได้ฟัง อคนนี้บอกว่าถ้าอย่างกานเจอกันดีมันต้องเจอดีถ้าเจอก็อ้วนและหน้าดูออแล้วเขาก็ไปที่วัดท่าสูงจริงๆพอไปถึงเขาเขาอธิษฐานเลยท้านะถ้าแน่จริงนะผมเข้าไปนะจะต้องขวักมือจะต้องเรียกจะต้องเชิญในผมนั่งถ้าไม่เชิญไม่แน่จริงอปรากฏว่าไม่เชิญไม่เรียกไม่ขวักไม่มองแขกก็แขกจะมาก็นึกในใจว่า น, นี่พูดได้นะไม่บาปนะ <c oughs> สงสัยจะต้องแตะสั่งสอนก็แล้วเ <yeah> พราะพูดแค่นั้นเท่านั้นเองอ่ะปรากฏว่ามีแม่ชีคนหนึ่งตัวเล็ๆเลกๆดำๆกลางกวาดอะไรอยู่ใกล้ๆ น, นั่นอ่ะแกคิดในใจนะแม่ชีก็ขวาดแล้วก็เรียกไปโยม อ, อยากคิดอย่างนั้นนะมันบาปแกสะดุ้งเหือกเลยแทนที่จะสูหกแทนที่จะยอมแพ้แล้าแกสะบัดหน้ากรับท่านแน่จริงนะหลวงพ่อฤาษีแน่จริงนะผมออกไปนี่ขับรถพ้นวัดนะหอัอย่างแตก เน่ยผลปรากฏว่าพร้อมกันสี่เส้นบึ้มแทนที่แกจะซูฮกจะยอมแพ้ยังยังผลดีต้องยังไม่ใช่ยังมีกังคือยางว่าไปวาแกพูดออกมาเลยนะท่านแน่จริงนะต้องให้หมาบ้ากัดผมอืนี่ตอนนี้เดือดรนหมอแล้วปรากฏไม่ทราบมันมาจากไหนครับเขาควับเข้าไปเท่านั้นเองน้ำลายฟูมเลย เออแล้วก็ต้องไปเข้าโรงพยาบาลแล้วปัจจุบันนี้จะเอ่ยชื่อนะปัจจุบันนี้นะแกบอกว่าไม่รู้จะท่าไงต่อไปแล้ว <c oughs> นี่นี่ขนาดคนคนนั้นนะเอาใหม่สิแนะนําไปอา่าแนะนําไงพ่อครับว่าแทนแน่จริงขอผมตายก่อนอายุไขโอให้บอกว่ท่าใหม่นะครับครับครับครับนี่ผมก็ยังเป็นแลยังไงนะฮะ ย, ยังไงนะเพราะท่าแนแม่จริงขอให้ผมตายก่อนอายุขไขว่าเง้ยอ้โนี่แหละครับเพราะนั่นก็ผมที่ได้เคยบอกกับท่านทั้งหลายว่ายังไงต้องสับพังเป็นประจำยกทรงเนี่ยายายายายาทำไมพ่อวัดเขาสร้างดีแล้วบ <laughs> อกคุณราคาเท่าไหร่<อ>ราคาเป็นร้อยล้านในีัตว์บพังหมดอ๋อชิโตม่ตั้ง เออโอย โ, อ ย, โอยนี่ไมัไมนึกว่าจะมีอะไรเรานึกว่<ม>จะแนะนำให้ดีไม่ได้ยอม <c oughs> นี่เขาเจียกของวัดนะพวกนี้เจ้าของเงินสร้างวัดนวัดท่าสงฆ์ครับครับให้ซัดทางระบังเลยก็ดท <c oughs> ี่ว่าตับฟังก็คือขอก็มาอย่างผมเล่นการเปบ้านยังต้องของเป็นประจำเลยเพราะว่าใกล้หลวงพ่อเนี่ก็เปิ้นบัตดาของผมอ่ะนะ อ้าดีก็ถูกกว่านี้ข้าศึกมาซ้ายตายมาขวาตายครับครัแล้วข้าสึกไม่มาดีดีข้ามเจ้าตายครับอันนี้ก็เป็นเกตเล่าผสมให้ให้ทราบชัดเจนว่าแก้งเหงาเรื่องแก้งเหงาเป็นอย่างนี้อ่ะทีนี้ก็มาเข้าเรื่องไม่ต้องเหงากราบเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างยิ่งกระผมได้บนพระสี่องค์วัาท่าซุงว่าหายจากโรคประสาทเมื่อไหร่กระผมจะบวชเนรตวายให้หนึ่งองค์ มาบัดนี้พี่สาวของก็ผมหายเป็นปกติดีแล้วก็ตั้งใจว่าจะบวชแต่ว่าบังเอิญว่าได้ข่าวว่าหลวงพ่อจะบวชอะไรเดือนมีนาหรือไม่เอาสมกลางน่ะสมกางมกล า, กลาผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งผมก็เลยตั้งใจว่าจะานำของและปัจจัยเข้าร่วมสมพบซุนในการบวชครั้งนี้ เ, เรียนถามหลวงพ่อว่าสักประมาณองค์ละเท่าไรการแก้บนจึงจะสมบูรณ์แบบขอ ร, รับถ้าธรรมดานะองค์ละพัน อ๋อแก้แลเน่นเองอะเหรอถ้าแก้บนก็ต้องห้าพันเอ๊ะถ้าแก้ล่างสามพันอ๋อแก้บนห้าพันแก้ล่างสามพันฮ่าฮ่าได้บนล่างอย่างเงี้ยถึงได้กินยกทรงตลอดชาติก็ ถ้าไกลไปหกเจ็ดร้อยแล้วนี่ถ้าสามถ้าพันก็พอแล้วไม่กสามันนะเคียพันเดียวก็พอถ้าไกลไกลไปหกเจ็ดร้อยนเวลานี้ครับแล้วก็ไอความเป็นอยู่ของพระอาหารการกินอะไรท่านกอุชาอีกนะโอ้โหท้ายอุบาชาท่านและความเป็นอยู่ของเลนนะครับถ้าพันก็พอวันนี้เขาไม่นิยมมาถามกันบอกพันเดียวก็พอเอาพันเดียวนะแต่ว่าสักถวายสักสองครั้งนะพันเดียวนะ ใช่สยงครั้งได้ไวที่ละห้าร้อยโอ้โหยกส่งเลยรอดไปได้นะอ่าครับก็เป็นนั้นว่าประมาณสักหนึ่งพันนะฮะอ่าก็บบาากราบเป็นสาวกราบเท้าหลวงพ่อจะกรรลบอย่างสูงลูกอยู่บ้านเลขที่สองรทับสี่สิบเ็ด้วยฝังมาเป็นเวลาสิปีเสร็จแล้วนะยังไม่เคยทำบุญบ้านเลยวันนี้ลูกมาหาหลวงพ่อ ก็โดยจะเรียนถามหลวงพ่อว่าถ้าลูกถวายสังฆทานที่ซอยสายลมแทนการนิมนต์พระมาสวดมาฉันที่บ้านจะทําให้ผีทุกระดับชั้นภายในบ้านโมทนาและช่วยเหลือลูกต่อไปข้างหน้าได้หรือไม่เจ้าคระต้องบอกเ้าโมทนานะ<อ>ใช่ได้เลยในผลเท่ากันสังฆทานเหมือนกันอ๋อสังฆทานเหมือนกันนะแต่ว่าสังฆทานที่บ้านยุ่งมากเลยนที่บนจะลดตัวลง ถ้าทำไมจริงจะลดตัวลงไอ้ไนั่นขาดไอ้นี่ไม่มีคนนั้นทําไม่ชอบใจจิตใจมออัวบ<อ>่อมความจริงอันที่สงสังฆทานเหมือนกันที่บ้านท่า น, นมนพลพระไปก็สังฆทานอย่างนี้ก็สังฆทานแต่อย่างนี้เราไม่มีกังวลโ ห, ด, หดเรื่องอจิตใจเป็นสุขแต่วูุสุดจะลงทุนไม่ค่อยมากนะลงทุนไม่มากด้วยยิ่งมาเจอมีนี่สังฆทานด้ยยิ่งสบายใหญ่เลยคร้อยเดียวก็ไปได้ใช่ครับครับค่อยๆก็ถ้าจะทําบ้านไม่สะดวกนะแต่ก็อย่าลืมว่า เมื่อทำแล้วบอกให้ผีเทวดาที่บ้านันโมธนาด้วยเสั<อ>สญจุดสำคัญต้องไปบอกนะเอเคนะเดี๋ยวก่อนมีเทวดาผู้ชายเปล่าไม่มีครับครับมีแต่ไม่ใช่ยกทรงก <c oughs> ว่าเทวดาผู้ชายคนหนึ่งมาบอกว่าผมชอบปลาแห้งติงปล<ร>าแม่นะโอปลาแปด เอปิ้งก็แปดแห้งแห้งแห้งห้าคนอันเดียวจะพลาดิถามเขามาบอกงั้นจริงๆนะไอ้ปลาแห้งปราสโดประช่ออะไรเนี่ยปิ้งครับคิดว่าปิ้งนี่แต่ว่าจาต้องทานมาด้วยโอ้ชิ้นเดียวก็ได้สอเลี้ยวเดียวก็ได้ไปจองมากเขาวานแน่ปลปาบๆ๋มมีองค์เป็นผู้ชาย อย่างนั้นก็ใช้ปลาแห้งเก่งร่วมมาในสักการด้วยก็จะถูกต้องพวกประการาลอยเลยจะหลวงพ่อขอรับวันหนึ่งผมไปที่วัดท่าสุงขณะที่เดินบั้งวิ่งบงังเล่นบั่งแล้วก็ปรากฏว่าอารมณ์จิตไปจับอยู่ที่<ช>พระวิหา ร, หารแก้วร้อยเมตรแทบเดียวเท่านั้นเองก็ปรากฏว่าผมสามารถ<ช>ขึ้นไปที่เมืองพระนิพานเข้าวิมานตัวเองได้ ที่จะเรียนถามก็คือว่าอารมณ์ที่ไปอย่างนี้เป็นอุปจารลสมาธิหรือเป็นฌานสี่ขรัตไอ้นั่นเป็นฌานสีด้วยแปรปัญญาด้วยนะใหญ่มากนะวันนี้เคยได้มาก่อนเนี่ย<อ>ใช่ก่อนเขาได้มาก่อนนี่ฌานสีด้วยแปรปัญญาด้วยเขาไม่ได้นามนะนแม่อะไรไม่จําเป็นของเก่าเขาจิตไปจับจะมันเป็นสมาธิ อ, อยาเาลืมนะฌ า, า, านจะเกิดขึ้นเพราะกํลาลังสมาธิ ในวิ like, drink, it, ่งไปวิ right. SI no ่งมาจิตจับอารมณ์โยอารมณ์มาทรงตัวอารมณ์เดียวก็เป็นฌานฌานเขาไม่ยากเขาต้องเข้าใจนะลาบแล้วกายยังเคลื่อนไปได้นะเปรียพิญญาคนที่ได้ฌานสี่จุดคนจะถือว่าเปรียพญญาวิชาสามจะไม่แน่นะฌา์นะแล้วครับคนได้ฌานสี่พันคนจะได้จะได้วิชาสามสักคนหนึ่งก็แสนยากอือนี่ข้าพิญญาถ้าไปได้เปลียพิญญาของเขาดีมากโอ แม้ความจริงวิหารแก้วร้อยไม่ตีแปลกนะรู้สึกว่าคนไปแต่ละคนได้ประสบความสําเร็จหลายๆคนแล<อ>้วหลายหลายคนเลยลูกพ่อลงยันลงเลขอะไรไว้หรือเปล่าเขาไปเขาต้องได้<ง>ได้ได้ลงอะไรทั้งหมดเลขไม่ได้ลงล ง, ลงยันไวย้ยันยังไงก็ลงพเพลเสาถ้าไม่มีเสามันลมโอ้โห เ, <c oughs> เสายันใน้สองรอยต้นโอ้ทั้งหมดได้สองรอยต้นเหรอสองร้อยต้นทั้งหมดโอ้ ออกไปแล้วสามสองศูนย์้าไปนิดนึงแมมลุกพ่อจะตอบเติบไปแล้วต้องไวๆที่ก่อนที่เนี่ยวันที่วันที่สิบก็เสียถามที่หลังเด้วยหนาดจะได้โอ้โหหนาก็เป็นอันว่าเป็นบุญของคนนี้นะแหมขนาดวิ่งเอ๊ะแปลกนะคนที่วิ่งวิ่งเนี่ยไม่น่าจะได้สมาธิง่ายๆได้ไอะไรเลยนะวิ่งวิ่งมันเป็นจงกรมนะจงกรมแม้ว่าเดิน จงกลมมา่อฉันฝึกที่แรกเดินเบาๆต่อมากระเดินธรรมดานั่นเข่าวิ่งให้จิตทรงตัวครับที่อย่าลืมว่าขนาดที่เขาวิ่งอยู่จิตเขาจับที่มีหางแก้วจิตประจับอารมณ์เดียวอถ้าเป็นจงกรมอย่างหนักอย่างสูงน่ไม่ใช่แบบเบาก็แสดงว่าใช่ก่อนเคยได้มาแล้วของเนี่ไม่ใช่ของเก่าครับอย่างการลูกหลานเขาฝึกมาโดที่ซอยใส่ลมมีส่วนมากที่ได้ไวก็เพราะของของเก่าของใหม่ไม่ได้ ถ้าคนฝึกใหม่ก็ต้องอยู่แสนชาติโอ้โหนีน่ไม่องจริงนะครับครับครับถ้าจะได้ถึงนิพพานในแสนชาติไม่แน่อ๋อลูกก่อนเช่นด้วยเพระโอ้โหนี่ลูกหลายคนจะภูมิใจนะโอโ้ลูกเราเคยได้กันเมื่อก่อนในตอนนั้นนะโมตนาสาสุดด้วยอ่าปลาบท้าหลวงพ่อที่กรรตยังสูงลูกมีเรื่องร้อนใจที่จะต้องพึ่งหลวงพ่อเพียงครั้งเดียวในชีวิตเจ้าค่ะ คือได้ไปไปบนท่านท้าอิรันลูจีที่โรงพยาบาลมงกุฎไว้ว่าถ้าหากพ่อสำเร็จแล้วจะบนด้วยคนหนุนเป็นเสียงหยุดเยอก่อนเท้าอิรันลูจีนั่งอยู่เวียนใหญ่ผงเวียนใหญ่เหรออิรันลูจีนะแล้วแล้วแล้วไอ้ที่พละนี่หายนะตายไม่น่าจะลงจร้งไปเช่ดไปพิรำบาทถึงที่นั่นเนี่ย ไพรันโลจีอดจริงจริงอยู่นั่นเหรอครับอยู่รเรนใหญ่ตอนนี้อยู่ว่าไปอยู่บนวงว่าโนบินบาดท<อ>ี่นี่โนนทพรันโลจีนะทราบครับแล้วที่มงกุฎอนะ่ะเรือนูเฉยฮเฮโอ้เวงนกรรมนะแหมแค่จีตัวเดียวนึงนะไปคนละคนละเขตเลยนะอเอา้าอพรันหูเลยต้องเอาลงหูด้วยฮอระพอรอนกูบนะในเวลาเข้าทรงลำสวยอย่างอิตาคนเนี้ยอตาหูเนี่ย อ่าได้บนไว้ก็แค่คือว่าบบนสําเร็จเรียบร้อยแล้วก็หาขนุนที่เป็นซี่เกใหญ่ไม่ได้เมื่อเป็นแบบนี้แล้วลูกก็ตั้งใจว่าจะเอาซื้อขนนที่เขาแกะเรียบร้อยแล้วไปเอไปเป็นการแก้บนถวายไม่ทราบว่า จ, จะเสียสัจจะหรือเปล่าขอให้หลวงพ่อช่วยติดต่อโหสิกรรมให้ดูจะตั้งเกิดเจ้าบนเขาได้ขนนลูกใช่ไหมครับคราบแล้วก็หาขนนที่เป็นลูกก็ได้น่าจะสั่งเขานะ่ยอ๋อ จำยิงท่านมายืยนยันได้บอกลูกก็ต้องลกูกที่รันท่รนฮูรูจีนะ <laughs> <laughs> ที่รนฮูจีที่รนฮูจีท่านบอกว่าถ้าเป็นเดวดาชั้นจาติมหาราช อ, าอพูดยังไงคนเป็นตามนั้นถ้าหาไม่ได้คนจะสั่งเขาเป็นลูกมันชาญบ่อยก็ไม่เป็นไรมาวุ่นลูกต้องเป็นลูกอ๋อเมื่อพูดคําไหนก็ต้องใช่ใช่ใช่โอ้คำนั้นะมาแลที่เนี่ แต่บอกว่าที่ท่านบอกบินระบาด ท, ที่วงเวียนใหญ่ไม่ใช่ผมบางบ้าน ท, ที่เรโดู <c oughs> โอ้ยยืนยันต้องไม่ใช่เลยนะแม่เทรรวดาในที่ตาชี้นะพูดปั๊บมาปุ๊บเลยน ะ, <c oughs> อะไอทีขอหวยแทบตายไม่มาเพราะผ่า<อ>นไม่อยากผมมาไม่กันบอกตกินให้ <c oughs> โอ้โหน้าเรายกตรงต้งกินทุกงวดนะะหลวงพ่อเจ้าขาเรียนถามนิดเดียวคือว่าวันอาทิตย์ที่สี่มีนาคมนี้ขึ้นเก้าค่ำจนสี่ ลูกอยากจะทำพธิธีเข้าขึ้นบ้านใหม่่อยทราบว่าจะดีหรือไม่ถ้าหากอันไหนดีกว่าขอหลวงพ่อแนะนาเถิดลูกยินดีทาตามทุกอย่างทุกประการเลยจังหนอ้รวัด หน้าบึ่งราคาถูกวีพิขาดทุนวันอาทิตย์ใช่ไหมครับวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันอทิตย์เป็นมิตรครูวันอาทิตย์เป็นมิตรครูวันจันทร์สมตรูคู่พุทธนงเยาว์ถูกประความทั้งคันรับเอาเดี๋ยวก็เราหูกระเสาเลยเป็นมิรใช่กระทู่กระเสาเป็นมิตรกันอะไรนะกระทูกระทู่เหรอไม่กระทู่ไงอนที <laughs> ่โหราศาสตร์แท้เลย โอ้ก็ใช้ได้ไม่เป็นไรนะก็เป็นอาใช้ได้นะที่ว่าพูดไปพูดมาทีนี้ถามที่รดาเขาเขาไม่ขัดข้องเขไม่เป็นไรอ๋อพี่พูดเปไปเปมาในใจเนี่ยเขาเป็นนึกถามเขาเขามีอะไรบ้างไหมเขาบองไม่ขัดข้องไม่เป็นไรครับครัอ่าในเก่าก็น่า็นใจนะลูกหลานจะได้ดิบได้ดีอ่าหลวงพ่อเจ้าขาวันนี้ลูกไก่มาถวายสังฆทานชุดละหนึ่งพันบาทเพื่ออุทิศสมกุศลให้แก่คุณแม่ ผู้ตายด้วยอุปติเหตุคือรถชนอย่างนี้คุณแม่จะมีทางมารับได้หรือไม่หรือมีวิธีดีกว่านี้อีกเพื่อเป็นการกระตัญยูกตเวทีขอหลวงพ่อโปรดเมตตาช่วยชี้แนะลูกสักครั้งเิด็จค่ะปัญหาเขาเพิงส่งมาใช่ไหมครับวันนี้วันเนี้ยส่งเมื่อกี้ใช่ไหมครับถ้าถามว่าจะไแม่เธอรูปร่างเป็นไงขาวด้วยดำพ้อมและอ้วนต้องใช้มนโนะแหละอ๋อ ไม่เห็นเลยลูกซนพักนี้แหละยังวโนเห็นตมวเนียเล่ไหมเอาแล้วไม่เป็นไรตั้งใจให้คนเดียวนะให้เขาคนเดียวโดยเฉพาะออกชื่อให้คนเดียวนี่ไม่พลาดไปอันนี้ก็เจาะตรงเจาะตงเลยนะผู้ที่ศัทดิ์ไปเจาะจงเลยอออันนี้ไม่พลาดนะครับครับตกลงว่าผู้ที่ศักดิ์มาแล้วกันนะอ่าหลวงพ่อเจ้าขาอลูกซื้อที่ดินตั้งใจว่าจะปลูกบ้านใหม่แต่บังเอิญมีต้นกำกูใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง จจะต้องจําไปจะต้องตัดต้นไม้นี้ทิ้งทีนี้วิธีที่จะตัดนี่ลูกเรีงว่าจะเปะ็นกระเทือนต่อเทวดาอยากเรียนถามหลวงพ่อว่าเรามีวิธีจะพูดจะบ่นจะบ่นยังไงเพื่อให้เทวดาท่านอโหสิกไม่มีโทษมีเวรมีภัยต่อไปต่อขาเอางี้ดิบอกถ้ามีดีครับเทวดาเจ้าคะเทวดาเจ้าขายคนนาชั้นเถ<อ>ิดตามมีตามเกิดปลุกสรารใี้หลึงหลังเจ้าค่ะ พอปลูกเป็นสารเลยนะสาเล็กๆนะทั้งหัวเล็กๆรับค่ใช่่รว่าได้หมครับจาได้ไหมเนี่ยอ๋อท่านเจ้าพระท่านเจ้าาฮ่าฮ่วฮ่าฮ่าฮ่าฮยาฮ่าฮ่าจ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮยเด่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า่เฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ไฮ่าฮ่าฮ่า่าฮาฮทา่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าน่าน่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่านา ว่าจําเป็นต้องปลูกบ้านทีหลังตรงนี้มันต้นไม้ขวางที่ใช่ไหมครับครับไม่ไมเมื่อเราโค้นลงไปวิบานทัานก็สลด์ตัวถ้าเราปักเสาเอาเอาผู้สารพุทธมเทวดาสารนั้นได้ก็แล้วกันนิมานแค่แปดได้ใช้ได้แทนเป็นการแทนกันขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเจ้าขาอ๋อเขาขอบคุณมาก่อนตอบใช่ไหมขาขาค่ะไม่น่าตอบเลยลองพ่อเจ้าขา ลูกอยากจะทราบว่าไม่รู้เป็นเพราะเวรกรรมอะไรเกิดมาในชาตินี้ลูกสุดก็ไม่เข้มมีมีความเข้มแข็งในดวงจิตเลยใช้คาถาก็ไม่แข็งเามาทําบุญหลวงพ่อก็ไม่เข้มเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็อยากจะขอคําแนะนําจากหลวงพ่อว่าวิธีฝึกให้จิตใจเข้มแข็งเพื่อพระนิพพานชาตินี้ลูกควรจะฝึกด้วยวิธีไหนเจ้าค่ะปฏิบัติปีเป็นต้นไปยาใช้เบ้าล้อมเหล็ก พอแล้วแล้วกินต่อไปใจจะแข็งกร่างกายก็แข็อ้ีจะให้กินเหล็กนั่นเหรอกินเหล็กเพื่อเพิมแข็ ง, ขงนะโอ้โหถ้าเนื้อเหล็กกินไม่ไหวนะคราบกินขี้เหล็กก่อนโอแกงขี้เหล็กได้แค่รอดไปได้นะของี้ค่อยๆดิค่อยๆนะค่อยๆนะ ค, ค, ค, คิดใช้เวลาน้อยๆเราทำอารมณ์ต้องกรารสมาธิใช่ไหมครา บ, รบใช้เวลานิดหน่อยหนึ่งถึงสิบ เราจะภาวนาให้ทรงตัวอถ้ายังไม่ถึงสิบภาวนาไม่ทรงตัวไม่คิดก่อนเลิกต้องตั้งต้นใหม่อพอถึงสิบล้วก็เลิกเอาแค่นี้พออใช่ได้ไม่ค่าก็ชินเป็นต้นจากจากหนึ่งไปถึงสิบแล้วกค็กครบถ้วนไปครบถ้วมาฮะหลวงพ่อจะขาบ้านเดินของลูกอยู่ที่จงังหวัดนครราชสีธรรมราชอำเภอเมืองถนนท่าพโพเลขที่ 7, หนึ่งเจ็ดแปดหกทับเจ็ดละเอียดต่อ อ่าคือที่บ้านให้ลูกอยู่มาหลายปีแล้วแต่ว่าปัจจุบันนี้คุณพ่อท่านอยู่บางเอิญมีเรื่องเกิดขึ้นก็คือว่า<ม>ที่บ่อ น, น้ําใกล้บ้านคุณพ่อท่านสร้างต่อเติมไฟไปปิดบางปัจจุบันนี้เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายไม่ทราบว่าอาจจะเป็นเพราะสิ่งศักสิทิสถานที่แห่งนั้นหรือเปล่าถ้าเป็นไปนตามนี้จริงก็ขอความปรุนาเมตตาหลวงพ่อช่วยแนะนําเพื่อเป็นการสงเคาะคุณพ่อของลูกด้วยเถิดเจ้าชายอะไรบงังแบบเป็นเป็นบ่อ น, น้ําแล้วก็ไป ต่อเติมบ้านไปไปบางไปปิดปากไอ้สระหรือบ่ออะไรน้ำอะไก็เกิดความเดือดร้อนไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะในบรรดาเจ้าของที่เขาบอกไม่ใช่ไม่เกี่ยวโอไม่เกี่ยวหรอกใช่ใช่เอาอย่างนั้นก็อย่างนั้นที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นเรื่องป่วยเองแบบฉันนะผู้เดียวไปฉันหลพ่อก็ไปเลยไปปิดอะไรไปได้กันอะไรก็ป่วยนะปิดฉันปิดไปไดอะไรกลวงพ่อครับนุ่งสะบงอ๋อนุ่งสะบงปิดเหรอฮะโอ้โหยอดจริงๆ ไม่มีจนเลยนะไปได้ทุกครั้งเลยนะอืห <c oughs> ลวงพ่อเจ้าขาเพื่อนคนหนึ่งไม่มีโอกาสมาทําบุญที่ซอยสายลม <c oughs> เพรากิจจิตุระมาก <c oughs> แนะนําเลยลูกแนะนําให้เขาใส่บาทวิรัติโยเอาบาตไปใ้เขาใบหนึ่งเขาใส่ไว้และประมาณยี่สบสามสิบาทสี่สิบาทเดือนหนึ่งย่างน้อยน้อยก็ห้ารอยบาทเป็นต้นไปฝากลูกมาถวายหลวงพ่อที่ซอยสายลมเขาให้ใครฝากมาเรียนถามหลวงพ่อว่าไม่ได้มาด้วยตนเอง ไม่ได้ถวายหลวงพ่อกับไม้กับมืออย่างนี้จะมีอานิสงส์สมบูรณ์แบบหรือไม่เจ้าค่ะแม่ถ้าไม่มาเองนี่ดีกว่าไหอถ้ามเ า, อามเองถวายกับไม้เนี่เจ้าสงสัยโอ้อที่ผลรอยกปอรเนนะ์เซ็นครับไม่บกพร่องอ๋อยางนั้นจะมาเลยนะนถ้ามากับมือไม่เป็นไรจะมากับไม้เจอคงแปลกเลยยุ่งเลยนะ ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่เป็นไรนะจะฝากเขาไปหรืออะไรเขาไปก็ใช้ได้ใช่ไห้ใช้ได้๋อครับครับหลวงพ่อจะขาเมื่อวันที่เจ็ดมีนาคมศบนี้หมอจะผ่าตัดลูกด้วยเหตุว่าเป็นเนื้องอกลูกไม่อยากจะผ่าตัดเลยเพราะกลัวตายแต่ก็ไม่เชิญตัวละไม่เชิญตัว เออคือลูกอยากจะถามหลวงพ่ออย่างนี้ว่าก่อนที่เขาจะลงมือผ่าตัดลูกควรจะทําอารมณ์พระกรรมฐานแบบไหนมากตายตอนนั้นจะได้ไปสบายๆพุโธนึ่ถึงพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธโลกก็ได้อไม่ยังไงก็ยังไม่ตายคนเนี้ยเพาะทำไมยังไม่ตายพ่อเขายังไม่ถึงเวลาตายโอคุณยังไม่ถึงเวลานี้ไม่ไม่ตายเลยนะไม่ตายไอเวลาตายคือเวลาไม่หายใจ ใ่าตาอีกสักสามครั้งก็ยังไม่ตายนะคนนี้นะครับคครัแต่ว่าเขาต้องการรมกรรมาฐานน่ดีแล้วพุโทโธก็แล้วกันต้องขันมากโ อ, โ อ, อันนี้ง่ายดีนะแต่หากว่าได้มารมยยีที่จัพระนิพพานไม่อารมณ์พุ่งไปนิพพานเลยอ้อันนี้าดีนะดี่หา่าไงคมร่จับพระนิาไมอารมณ์พุงไปนิพลยทั้อันนีง่ยีแต่หากว่าได้มารมย์ยี่ที่บ้างนิพพานไม่รมณ์งปนิพพานเยโอ้อันนี้ง่ายดีนะแต่หากว่าได้มารมย์ยี่ที่จับพระ ไ ม, ไม่รู้สึกเพลนเ ข, เขาข้าหนึ่งมันรู้สึกว่าจะเสียวว่เริ่มเสียวมา น, นิดฉังก็เปิดแผลปไปเลยอใช่ไหมหมอก็ทําไปตั้งแต่สองโมงครึ่งเช้าถึงห้ามงสิบห้านาทีหมอเรียกถึงรู้สึกตัวว่าเ อ, อถามหมอเจ็บเลยหมอถามว่าเจ็บไหมบอกเพราะแกถามว่าเจ็บไหมถึงึไป <c oughs> <c oughs> เขาถามว่าเจ็บไหมความจริงยังไม่เจ็บนะเกิดม า, า, าคิดว่าหน้าโกลมันจะเจ็บแล้วมันจะเสียวใช่ไหมเข า, าถามว่าเจ็บไหมเสียวไหม ล, ลุงพ่อแต่ไม่พูดไปเลยครับตอนี้เวลาเจ็บไข้ได้โปรดหรือจะผ่าตัดหรืจะทําอะไรที่มันเจ็บๆเรายุ่งไปเลยนึกถึงนิพพานไว้เป็นอารมณ์ถ้าบังเอิญมันตายเวลาได้นก็ดีผ่านแน่นอนถ้าไม่ตายเวลานั้นทีหลังถ้ามันจะตายอารมณ์นั้นมันจะทรงตัวมันจะไปนิพพาน ยังก็ที่มาตอนที่หลวงพ่อเป็นชื่อว่าไปโลกอะไรเก้าที่ขานะั่นถ้าที่หลวงพ่อว่าปวดจัดๆก็เปิดแนไ ป, ไปิดงั้นใช่ฉันก็ไปแต่นั้นไม่ไปแต่นั้นไม่ได้ดิเวลามันปวดจะจัดเวลารลาลับแขกถ้าไม่ใช่อารมณ์นี้มันคุยกันที่บ้านไม่ได้เลยปวดจัดมากหรเป็นหนักถึงหนักตรง น, งนใช่เปน็นแลไม่หนักมันปวดหนักนี่อย่างเงี้ยโรคภัยไข้เจ็บถึงได้ไม่ไม่อยากตอแยนะใช่อ๋อมันก็ลงเลยอ่ะอันนี้มันลงนะ ถ้ามันปวดจริงๆในหมาลงหมาเนี่ยครับไม่ใช่โรคเกาน้นองพ่อไม่คนไทยรู้จักหมาอ๋อจีนเรียกเกาไทยเป็นหมาใช่พี<อ>่ําภาษาไทยไม่ได้จำได้ภาษาจีนมันเเจบ ค, บครัค ร, ครับอ๋อครับไม่ไ้ก็เป็นประโยชน์แหมพอดีเลยเป็นประโยชน์มากนะเจ็บไข้ได้ป่วยทุกจ้าสบายก็เปิดแนบใครมาทวงนี่เราก็เปิดแนบเปรียบแทนแล้วเราไม่ส่งก็เปิดแนบ นี่ผมว่าจะตั้งใจเราจะแทงหวยติดก้อน ห, หลายๆงวดแล้วก็พอเขามาทวงก็เปิดแหนบ <c oughs> เปิดไปไหนรู้ไหมเปไหนครับ <c oughs> ขึ้นบนไม่ได้พี่ยายามนำดึงบัญชีท่านมีเราก็เปิดแหนบไปวัดธาตสมพระเจ้าดีพอดีเลยท่านไปที่ น, นั่นทุกวันเจอกัะแม่เหรอครับ โคตไปทุกวันอ๋ อ, อครับครับเ้ยวยในชะาติโชคดีในตุกนะ่ะถ้าก็ <c oughs> ประนั้นว่าที่ค้างอยู่ก็ค อ, อยตอบทยอยไปนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการคุยกันไปนะตอบคนไปคุยกันไปเพราะว่าจะประโยชน์จะเกิดขึ้นหนึ่งบันทึกวิดีโอเทปเนี่ยถ้าหากว่าอีกสักสี่ห้ารอยปีหลวงพ่อ่วงรับดับหลนไปแล้วนะวิดีโอนี่ยังอยู่เทปยังอยู่หนังสือยังอยู่วัดท่าซุงยังอยู่มันมีประโยชน์หลายอย่างยกทรงยังอยู่ ก็ติดสี่ร้อยปียังอยู่เหรือครับไม่ฉันไม่ได้สั่งให้ตายอ๋อครับครัเนี่ยคล้ายๆแบบเป็นแล้วคุณสังเกตนะนะสังเกตว่าถ้าหาว่าเป็นคุยอย่างนี้นะผู้ฟังก็ไม่ค่อยบุ่มหนาถ้าอย่างเทศแบบเดียวเดียอ๋อไม่ต้องห่วงแล้วไหลครอกแล้วเพราะเลิกตั้งแล้วมอขอยเขาเรียกอะไรข้าวพี่โรดละข้าพี่โรดสมาบัติครับครับครับ อ่าเอาล่ะครับทีนี้ก็เมื่อจบรายการแล้วก็อบอกนิดหนึ่งนะครับอย่าลืมนะวันอาทิตย์ที่สิบแปดมีนานะวัดธาตุทรงจองโสที่เคาน์เตอร์ส่วนวันที่ยี่สิบก็เช้าถึงบ่ายสามโมงเย็นเจอก็จะวัดสัมภยาครับเก่งกว่าฉันฉันพูดเลยฉันไม่รู้เรื่องอาจารย์รู้เก่งกว่าฉันวันนี้ขอแก้ตัวใหม่ อ่า จ, จะยิ่งกว่ามาวานนี้โอ้วันนี้ผีมาตะวันใ ค, ใครเคยเห็นผีก็หมดไหมเดี๋ยวก่อนให้หนูดูกำกงเดีย๋ยข้างหลังอ่ะอันจะเกงขาดก็ได้มันบรรลุไงทำอย่างนี้ทุกวัน ขอทุกคนไม่พ้นปัจจัยของพระเอ่ของที่ผ่านแน่นอนว่าวันนี้ทําไมต้องพูดอย่างนี้ไม่เหมือนมันอื่นนั่นสิครับอากีตได้ลงมาบอกว่าแกเลิกพูดแบบเก่าทีนะสั่งสั่งลงมาเลยเหรอครับสั่งกี้เนี่ยพอาเอาแบบง่ายๆที่เอาแบบที่แกทํามาน่ะอไอ้ที่แกทํามาแบบไหนแกพูดกับแบบนั้นกับเขาไปนั่งพระบาเครียดพระบาเครียดดีไม่ดีว่าหลับห้องพระบรรดาบ้างพระบรรดาบ้างพระบ่นบ้าง เราความทุกคนถ้าคอยมุ่งนิพพานอย่าท้อถอยจกถ้าบังเอิญเราไปนิพพานไม่ได้จริงๆก็ไม่ต้องมีตกกังวลมันจะต้องค้างสวรรค์และพุทธโลกออถ้าบังเอิญคิดว่าเผื่อเหนียวเกรงว่ามันจะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เผื่อไว้ก็ตั้งตัดสินใจว่ากําลังทางของเรามาหาศาลขอยืนยันว่ากําลังทางเขาทุกคนมาหาศาลมาก เฮ้ยเดี๋ยวก่อนที่กูพูดเดี๋ยวไม่จบมาเสือจริงๆแล้วก็คว่างทิ้งเลยเนี่ยอไม่รู้จักไม่รู้จักภาษาคนไอ้นี่มันไม่ใช่คนนักการไอ้เราพูดมันนึกไม่รู้เรื่องเราคว่างทิ้งก็เลยกลิ่นก็เลิ่นส่งม่ได้ันยจริงๆครับกีิงเก้าวเลยลืมเลยไม่รู้จะพูดอะไร ก็เป็นอนว่ากันกันเหนียวไว้ก่อนนะเพราะทานบารมีเขาบรรดาญาโยมพทธสงฆ์ในขอยืนยันว่ามหาสารเลยเกินคำลังนี้เ้อสังฆทานนี้หนักมากอันนี้พระพุทธเจ้าก่อชมใครก่อชมเนี่ยเวลานี่ถ้าตาดีๆมองมีเยอะญ่่ถ้ามูทะลายกัน ต้อรวมความว่าตั้งใจว่าถ้าหากว่าจําเป็นต้องเกิดมารายการนิฐานควจะเป็นสองอย่าง เ, <อ>าเพามันมีสิทธ์ทั้งสองอย่าง อ, าอย่างพระอรุทธ์ท่านบอกว่าถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามคําว่าไม่มียงยาปรากรเข้าไปจับเอาง่ายๆรราบบคัต้องมีทุกอย่างหรือไม่งั้นเราขี้เกียจมันมีอะไรบ้างก็ยังไม่รู้ใช่ไหมขอมีน้อยๆไม่มีความรู้สึกว่ารวยยาเมตกาจิตที นับไม่ถ้วนไม่มีที่จะนับตวงเล่มเกวียนยังไม่ไหวเลยนับไปกอดกอดเล่มเกวียนยังนับไม่ได้นับไปอ่านยังไงแค่ให้ลูกหลานไปเดี๋ยวเดียวเนี่ยเงินห้าร้อยเล่มเกืียนทองคำห้าร้อยเล่มเกวียนถ้วยโถชามนี่เป็นทองคำหาร้อยเล่มเกวียนที่เป็นเงินห้า้อยเล่มเกวียนทองแดงห้ารเล่มเกวียนโอเอาไปใช้เดี๋ยวเดียวสหลานนะโอ้โหไม่หมดก็เอาใหม่ โอ้ยรวยมากเกินไปสมาทานงดีกว่าโอ้โหเก่งโอุเตนเต่ขาพิูลตรงไหนไหนเฮ็นตมอไหวจังแท้เดี๋ยวแท้เดี๋ยวโดยอาศัยที่ลูกมีรถทัวร์อยู่ก็จะรัดใช้หลวงพ่อแบบชนิดที่เรียกว่าศรัทธาเป็นอย่างยิ่งแต่อานิจจา พอจิดคิดจะศรัทธาแรงกล้าเท่านั้นก็มักจะมีเหตุแปลกๆเกิดขึ้นเสมอมีอันที่จะต้องเสียเงินเป็นหลายๆหยมื่นอยู่บ่อยๆไม่ทราบประมาณจะลองดีหรือว่ากรรมเก่าจะตามมาหรือว่าศรัทธาที่ลูกทำไม่ถูกต้องขอบารมีหลวงพ่อปโปรดประคับประคองที่แนเพื่อเป็นกาลังใจใ ห, ให้แก่ลูกสักครั้งเถิดเจ้าข้า เทศมิตรนี้ํานองคล้องจองสมัดนอกสมัดใหม่อ๋อของสายจะมีจริงก็ไม่มีอะไรเป็นกรรมเก่าอ๋อกรรมเก่านิดนิดนะครับครับเอางี้เวลาออนรถทุกครั้งจุดทูบบอกตรงมรนพรนะบอกตรงมรุนจุงพรเลยแหละครับเอาให้กันเลวกันนะโอ้ยางงี้ย่างงี้ง่ายดีกว่านะอรับครับก็ไปนั่นว่าจุดทูบบอกตรงมรุนจุงพรนะฮะ ่หลวงพ่อเจ้าขาแหมนี่อะไรแว็บไวจังก็จะทันไม่ทันจะเล่าเลยมาแล้วอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องทำข้าวทำพระอะไรเนี่ยเขาพูดมาไม่ค่อยจะเข้าใจขอให้หลวงพ่อช่วยอธิบายให้กระจ่างสักครั้งเถิดเพื่อจะได้มีโอกาสไปในงานนี้ด้วยเจ้าขาพญา้าคนี่แหละ ภาพเรื่องข้าวนี่ยเรื่องข้าวยังไงไปยังไงเน่ต้องการย่างข้าวนี้ใช่ไหมจะเอาข้าวพระเนี่ยข้าวพระข้าวอะไรเนี่ยข้าวไม่ไม่จําเป็นต้องไปหรอกซื้อต่อที่ยกทรงองค์ละห้าร้อยบาทก็ได้โอ้โหอย่าไปเลยอย่าไปเลยเรื่องไปอย่างนี้น่าจะเล่าให้ฟังนะครับเมื่อสมัยน้องพ่อปานยังทรงชีวิตอยู่ท่านทํำพระว้องค์หนึ่งเสะข้าวสามเดือนเนี่ย เอาปรากรบว่าคำไหนอร่อยมากคันนั้นไม่กินเอาๆๆเอาเก็บครับครับแต่ว่าสําหรับที่ฉันนี่พระพุทธเจ้าแจ้งมาว่าคําแรกยังไม่ต้องกินข้ากับข้าวที่ดีสุดปรผสมก่อนอเสพเก็บนะครับคบก็ทำจริงจริงสี่เดือนโอ้โหนะไปไหนก็ท<อ>กําำหมายความว่าถ้าบังเอิญยังมาที่เนี่ยก่อนจะ ก, กินก็ต้องทําเก็บไว้เหมือนกัน เราคำว่าสี่เดือนสามเดือนนี่จะขาดสักวันหนึ่งไม่ได้เลยโอ้ต้องถี่ต้องต้องต้อ ง, องออใช่แล้วก็ผลจริงๆที่เคยปรากฏนะครับเป็นยังไงครับเทียงพ่อปานนั้นทําใช่ไหมครับครับทแล้วท่านก็นทําเป็นผงผสมไว้แล้วก็สร้างเป็นพรูปบุดไว้ที่บูชาที่พระสดมนครับครับเวลาหลวงพ่อท่านไม่อยู่คนก็ไม่ค่ยกัาข้าไปให้กิน นะฉันก็ไปบูชาพระองค์นั้นขอหม้อใหญ่ๆมาเลยโอ้โหที่เปเล่นจริงๆนะครับครับครับไม่วันหนึ่งไปเรื่องอาจันมากเป็นยังไงขลุกอ่อนเพรือว่าหลวงพ่อไปเขาบงพระอจันกีตาโปร่งแกไนเจ้าของโรงงานต่อรยนต์นะแกก็นําแกงมาสามหม้อหม้อใหญ่ๆมากปรากฏว่าเขามาถึงหน้าวัดฉันบูชาตรงคืนนี่นะ ฉันอดอ่ะทำข้าวมาก็า ม, มีกินเพราะไม่อยู่แล้วก็ใส่พระตุลกับมาถึงมาถึงจอดเรือปั๊บถามว่าหลวงพ่ออยู่ไหมเขาบอกไม่อยู่ไปเขาบงมจันทร์แกถอยหลังเรือออกเลยอู้สัทธาแกกล่าขนาดแกล่ามากไม่ให้ม่อลูงโตใ้ใหญ่ใหญ่ยังให้พ่อปอนานฉันอง์เดียว <c oughs> อปรากฏว่าเป็นเรยอนถอยหลังไปสักนิดเดียวใบจักรันซึ่งไม่มันมันไม่มีต่อน่ะไปจักรหัก ฉันเลยบำแล้วสามหม้อเลยโอ้แล้วใบจักกระหักแล้วก็ไปช่วยต่อเรื่องขงแก่รับรับอ๋อหลวพ่อฟนกลับมาตะโขงเข้ามาไล่กลางบอกว่าผมเอาอาหารมาสบายที่แม่หลวงพ่อยังอยู่หลวงพ่อไม่อยู่พระบอกก็ไม่อยู่ก็เลยถอยหลังปรับเจวข้าวหางกลับบ้านครับแต่ใบจักไม่รู้ว่าฟันอะไรหักเพราะว่าพ่อฟันบอกที่นั่นมันไม่มีจอนะาว่าทำไมไม่มีจออ่าแล้วแล้วเาทำไมยืดหัก เรก็เลยบอกว่าแก่คลายัทาไปจา ก, กหักในเมื่อมาถึงวัดแล้วนะไปทำไม<ะ>อ่ะไอคนจะเป็นมหาสิษธีถอยหลังไม่ต้องการความเป็นมหาสิษธีมีที่ไหน อ, อ๋อเจวดาช่วยนะล้วช่วยใครไม่ช่วยฉันแผดสามม้บเลอะเลยนะโอ้โหมัม่งทาไมมีดีใ จ, ใจใกินกินแกงไปจากหัก <laughs> นี่ท้อไปจักไม่หากก็สงสัยไม่มีโอกาสเลยนะไม่มีโอกาสจริแล้วก็ลอดน้ำพริกปลาบุ้งเลยนี่เป็นเพราะอนุภาพที่ว่าทําข้าวที่เอามาบดแล้วก็ทำปล อ, อ่นนั่งยังง่ายกันอที่นี้เป็นธรรมดายับยัง้งนั่งเพราะว่าแ<อ>ม้วันพ่อปานไม่อยู่ข้าอยู่หลายองค์เป็นสังฆทารนนะครับผม เป็นสังฆทานเทวดาคนจะยับยังแกวัยบุญใหญ่จะมีอยู่นั่นนั่นปเรื่องหลวงปู่่ะแ่ี้ของของหลวงพ่อที่ยวทำม่ได้หลวงพ่อก็ทาตามท่านนะเป็นเรเป็นไงมั่งไม่รู้ทาตามท่านแต่ว่าที่ทาตามท่านเขาสมเด็จมาสั่งทอสั่งให้ทำมาตอไถึงบาระแล้วนะให้ทาก็แล้วกัน ต่อไปเข้าใจพวกนี้จะรวยกันใหญ่โอ้โหฉันก็ยังหนักใจดีหนักใจเรื่องอะไรครับวัดพระทรงไอวิหารร้อยเบ็ดมันจะเล็กไปเก็บแบงค์ไม่พอนี่โอ้โอ้โหหนักใจเรื่องเก็บใช่ใช่โอ้โหจะไม่มีที่เก็บคขาดขาดไม่ขาดธนาคารไม่ก่อนอ่าเอาผูดถือวัดจำนวนจำนวนสักเท่าไรพอจะเหลือก็เต็มกระสายมาถึงตอยใจลมดูกับก็ไม่กรับเอ่าถ้าถ้าไม่มีใครเอาหมดก็เหลือโอ้ ที่ตอบอย่างพระวัดแทนก็ไม่รู้ต้องไปถามประหลัดพิรัตแกอ๋อท่านประหลัดเป็นคนรู้เรื่องนะท่านเป็นคนจัดทำอ๋ออย่างนี้เราก็ต้องติดสึ้นบนพระประหลัดพิรัตเลถ้ายหวตกองติดบาทขอห้าติดปองอาก็เปนันว่าไฟในงานนี้รูวข้อครับวันที่ที่แปดพิรานี้มีโอกาสได้ได้รับทุกหรืองราวเขงเนี่ยไอ้ต้องถามของมีหรือเปล่าของมีหรือเปล่าของมีแล้วอ๋อ อาจจะอยู่ที่ร้านเจ๊กคนใ ด, <c oughs> เ, ดเดี๋ยวถามอะไรกันปลาด้วยปา้ามีปลาวะให้ทั้งผลัดัน่อยสิอ๋อมีแล้วเหรอน อ, อไปเรียกหลัดเลยงงเลยอ๋อพ่อผลัดจะต่อไทยนะตกลงว่าป้ามีแล้วเหรอดี้าได้อ๋อวันที่สิบห้าได้สิบหกตกบ้าได้แล้วเอฟเดี๋ยวคืนนี้ผมไปก่อนได้หร <c oughs> <ๆ>ือเปล่าฮะโคจะอด อามาที่สิบสี่ได้วันที่สิบห้าแล้วครับพูดช้าไปออกไปแล้วพูดชินแล้วเรื่องเลยเรู้การะเทสะแม่เสียดายเสียดา ย, อยโอ้มันเป็นอย่างนี้ อ, นอย่างนี้ <หา S 2> จะ<ๆ>มือถึงรวยแม่จริงจรงะแม่จริงจริงอ่ะเป็นอันว่า วันที่15ก็เรียบร้อยแล้วได้นะดังนั้นผมจึงไม่บอกว่าถ้าไปค้างแล้วจะได้หลายๆอย่างนะตกลงว่าไปกันเอาละครับขอบพระคุณในเรื่องนี้อะต่อไปเลยอนักปรรษาการกราบเรียนหลวงพ่อที่กรรพยางสูงกรับผมมีโอกาส ไ, ไปไที่วัดบรวร<อ>นิเวศ ท, ที่เขาหล่อพระกัน ก็ปรากฏว่าเห็นเศษทองเหลืองบ้างท้องแดงที่หล่นและเกลละก่เกิดจตหาก็เลยเอามาบูชาที่บ้านพอมาฟังคําสอนของหลวงพ่อเกิดความไม่สบายใจว่าในอ่าการที่กระผมไปเอาของจากวัดมาอย่างนี้ไม่ทราบว่าจะเป็นอเป็นการขโมยของสงหรือเปล่าเพราะไม่ได้รับอนุญาตเขาร อ, อพระถวายสงนะเป็นของสองไอายยา้่าไม่ใช่ไ อ, อาร็อกยามบเกี่ยว ไม่ได้ไอคนเดียวย่าไม่เก็บนะโอ้หนักใจแล้วแล้วทีนี้ก็เห็นจะต้องเอาไปคืนกับหาเรือ ก, กันนี้นะมาบุชานี่ม า, าบมาุชายังไม่เสียหายกลับไปคืนนก็แล้วกันถ้าอยากจะได้จริงก็ไปติดต่อกับพระขอซื้อท่านครับทังนผมไม่คิดมากบาทสองบาทเอ ปูแหมงนี่ของวัดนี่ยนิดๆหน่อยๆอะไรมไม่ได้เลยนะอันนี้สงมันไม่นิตติเวลาทําบุญกับของสงฆ์แล้วจะครึ่งกระตังก็ไปสวัดชั้นที่สีที่ที่ห้าโอ้โหก็มยของสงฆ์ครึ่งกระตังก็ลงอาวุธจีว่ากันให้ก็สูงครับครับฮะนี่ตกลงว่าทางที่ดีก็ควรจะไปคืนเอาเอาก็ห่อไปออกไปนะไปบอกวพ่อท่านนะผมเก็บเศษทองมาขนาดนี้นะครับจะขออยากจะเก็บพระบูชาจะดีราคาเท่าไหร่ อเอาท่านบอกไม่ต้องไม่ต้องเอาเป็นอันไม่ไม่ต้องอถ้าต้องก็ต้องกันอย่างนี้ก็ต้องไปเลือกพระแกะ่ๆที่ใจดีนะให้ชาสะขอเดียยก็สบายถ้าทางดีๆนะพระพุทธรูปดีมากยิ้เมเสมอไปถึงพอนไม่ได้เลยการดนตรีภาพครับครับอ๋อที่แกวงเล็บมันได้บกว่า ถ้าติ้งต่างผมจะเอาไปหลอกพระประเจริญหลวงปู่ปานนี่ยังก่อนนะไปถานยาของที่เค้าก่อนโอ้ไม่ได้เลยนะบุญมันจะเป็นบุญบาป ก, ก็เป็นบาปแล้ว <ง S 2> จะแยกทำยัมไงก็สัมมาอย่างไงก็สัมไปอย่างนั้นจะได้หมดเรื่องไ ป, ปลาเท้าหลวงพ่อจะก็รบรักอย่างสูงนั้นแน่นี่ก็รบรักกลยด้วยนะอดีได้เป็นผู้ชายนั้นหมดเคราะไปผู้หญิงก็ไม่เป็นไร แอบไม่ได้ใช่พระแก่เทำไมรักแบบกรมารมณ์ล็อกเขารักแบบให้ของเป็นลูเหมือนลูกเหมือนหลานนะมันไม่เป็นลูกบุญากรยายนะ้วาโอก็ใช่ได้จะได้บอกขอเรียนถามนิดเดียวเกี่ยวกับเรื่องนาสังเทโมก็เพิ่งทราบเมื่อเร็วๆนี้เองไม่ทราบว่าลูกจะเอาไว้ตอนท้ายตอนกลางตอนหัวหรือเอาไว้ตอนไหนดีแล้วก็ ถ้าใช้คำนี้แล้วลูกจะมีผลเพิ่มเติมจากคาถาเป็นล้านเดิมมากน้อยเพียงไรขนาดก็ไม่รู้เหมือนกันเอาขึ้นหน้าสิตอเนี่หรือเปล่าหน้า3สงสีโอนะแล้วก็ค่อยมาต่อบรมมาจะมาหาโลกาอะไรนะท่านบอกเติมมาท่านบอกทีหลังถ้าบอกทีหลังต้องอยู่หน้าตัดๆๆัท่านเพิ่งบอกเมื่อปีที่แล้วอ๋อเมื่อเร็วนี้เองนะครับ ก็ไปนันว่านาสังติโมขึ้นต้นก่อนแล้วค่อยต่อกระถาขันล้านนะครับใช่ใชราบหลวงพ่อเจ้าขาเหรียญทาน้ำมนต์ของหลวงพ่อประหลาดมากเพราะอย่างนี้คือลูกเป็นลูกทรมานมานานแล้วหนึ่งเป็นโรคมะเร็งสองเป็นโรคประสาทสามเป็นโรคอื่นๆแทรกอีกเยอะ ลูกก็เลยเรียก่าสี่สีอะไรทั้พ่อครับเราซับจาง <laughs> โอ้โหอันนี้ผมก็เป็นด้วยครับย <laughs> กตัวกเฟสไม่ใช่ครับดังนั้นลูกก็เลยเอาเหรียญหลวงพ่อไปใส่ในขันแล้วก็ลองทําพิธีอาราธนาดูก็ปรากฏว่าอย่างตังต่อไปนี้หนึ่งเมื่อดื่มน้ํามนแล้วจะมีอาการสั่นหนาวสะทานเหมือนกับไข้กระดูกจะงอกอะจะออกมารอกหนังอย่างนั้นแหละค่ะ นี่เ้็เตา่าอ๋อเต่านี่ก็ดูต้องอูข้างนอกออยู่ข้างนอกนะแล้วก็ที่ประหลาดใจก็คือว่าเมื่ออาการต่างๆหายเงียบสงบดูแล้วปรากฏว่ามะเร็งหายระศา์หา ย, าหายโรคต่างๆหายไปหมดลูกก็เลยสงสัยอยากจะกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าที่โรคต่างๆหายไปนั้นเป็นเพราะว่า เจ้ากรรมนายเวรท่านเกรงใจเหรียญ น, น้ำมนต์หลวงพ่อหรือเปล่าเจา้าคะเอางี้แล้วกันเหรียญน <c oughs> ้ำมนต์หายก็แล้วกันไม่ต้องถามต่อครับครับครับเรื่องหมราวเลนะแหมขนาดมะเร็งหายนี่น่า<ม>ดูนะใช่ใช่ใชเความมะเร็งหายเรามาลงมาเสกใช่มาลงเสียงก็ไม่เจอต้องจะไม่เป็นไรสักการะโลกนั้นเขาแน่เขาแน่จิตใจเขาแม่ครับอพรอันนี้อยู่ที่กำลังใจด้วยนะขที่กำลังใจชครับก็ขอโมทนา สมชายยิงตัวตายโอ้ยตายเยี่ยยยยยยยยยยยยอยยยยยยยยยยยยยยลยยยยยยย่ยยยยยแยยยยยยยยยยยยยยยยยยยายยยยยยยยยยยยยยอยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยตยนยยยอยยย่ยยย่ยยยยยยยยยยยมายยยยยยยยยยยยยยยเยยยยยายนยยย็ยยนยยย่ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย แกต่อรอหดตั ว, วอ่าคือว่าอย่างนี้แกได้ตายด้วยอุบัติตเหตุแต่ที่โลกจะถามก็คือว่าอย่างนี้ได้ทำบุญทำกุศลทุกอย่างแล้วอุทิศ่อดจองตามที่หลวงพ่อแนะนาทุกอย่างทุกประการอาจจะรับหรือไม่ไม่สนใจแต่ที่จะถามคือว่าอยากจะเพิ่มเติมอะไรเพื่อเป็นการสงเคราะห์แกเพราะรักและที่ถึงแกมากเจ้าค่ะ อยากจะเพิ่มเติมอยากจะเพิ่มัฐานทำได้อะไรทได้อยากจะเพิ่มไหมอยากจะเพิ่มก็เอางี้จะแล้วกันนี่นะทำเงินสักล้านบาทโอ้ไม่น่าจะถามเลยก่อนนี้สมชัยเขาไม่เป็นไรนี่นะเอ๋แต่เด็กก่อนใครไปจะขอบัญหายอมยกมือทีชื่อลักกี้สามอ่ะคนที่ใช้นาระกาลักกี้สามอ่ะ ไม่ใช่อยากจะรู้ว่ารูปร่างเขอเป็นยังไงสมชายมาสองสมชายดูด้วยนะเจ้าก็ไปหลายชายอะครับวันนี้นะมายืนอยู่สองสมชายอ๋อไม่รวยนะเจ้าไม่เป็นไรไปแล้วไม่ตกนรกแล้วกันนะครับครับครับแต่ไม่ตกก็ลบกบุญแล้วเอ๊ะแปลกนะหลวงพ่อธรรมดาบูราณเขาบอกกว่าคนที่ตายหงอยิงตัวตายฆ่าตัวตายกินยาตายตกกระไดตายนี่เขาบอกว่าจะต้องตกนรกทุกคนไม่ไม่จริงเสมอไปครับก็ส่วนนิสกรรมที่ ถาเวลาจะตายจิตใจเศร้าหมองอารมณ์อารมณ์บ่ายภูมครับถ้าก่อนจะตายจิตใจผ่องใสแต่บังเอิญขณะที่ก่อนจะตายคนรถชนตายนะครั บ, รบจิตใจก็นึกถึงพระนึกถึบนอย่างใดจะหนึ่งตั้งตอนเช้าอย่างที่แนะนำเมื่อกี้เนี่ยอตอนเช้านึกไว้ก่อนอารมณ์นั้นจะทรงตัว<อ>มันการลองรัจิตใจอยู่เปนอย่างดีครับครับครับโอ้ที่แนะมาตะกี้ทัวเป็นเกราะป้องกันล่วงหน้าไว้ก่อนทั้งวันนั่นแหละคุ้มเลยเลยครับ ราซาหลวงพ่อจิกรลพลูกมีความทุกข์ระทมขมใจมาเป็นเวลานานแล้วกล่าวคือว่าได้ถวายสังฆทานเสื้อที่โทกุสนให้แกนายสงกรานผู้แดงอั น, นิรถชนตายอีกแล้วอคือว่าไม่เห็นแกมาบอกก็รับหรือไม่รับเลยไม่ทราบว่าจะทําอย่างไรดีขอให้หลวงพ่อช่วยชี้แนะได้วเถิจจดจะฝากในมือถ้วยสวยจัให้ฝึกกรรมฐ า, านนะติดต่อเลยก็อันที่เลียกว่มโนโมยิฐทิจฉล่ะครับ ยังเราจะพบกันเองคให้พบกันเองได้คอนยิงเขารักแต่ว่าเราเวลาเขามาหาเราไม่รู้อเขามาแสดงตัวเราก็ไม่เห็นเขาพูดเราก็ไม่ได้ยินก็ไปโทษเขาอ่ะอ่าที่จริงตัวเองไม่ดีเองนะตัวเองดีอ่จะรู้ไปค้างเราใครมาช่างกูเฉยมาเห็นอย่างเดียวทอ่ากลาบเท้าหลวงพ่อทจะก็รบอย่างสูง เมื่อเดือนที่แล้วลูกมีโอกาสเดินทางไปจังหวัดเชียงรายไปพบพระองค์หนึ่งที่อาสมระดาบดท่านมีลักษณะคล้ายคลึงกับอะไรอาหลวงอานันธรรมอิเดนนะ hmm. อานันนะหลวงอานันเป็นอย่างมากแล้วสถานที่แห่งนั้นมีพระแก้วมรกต ด, ด้วยและมีต้นพระศรีมหาโพด้วยที่ลูกจะกลาบเรียนถามก็คือว่า ลักษณะอาการคล้ายคล้ึงกับท่านอนันต์มากอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าพระองค์นี้คงจะมีบุญชาติวาสนาบารามีเหมือนกับในหลวงหรือเปล่าเจ้าคะไม่เหมือนก็ไม่เหมือนแล้วครับถ้าเหมือนก็ต้องเป็นในหลวงนี่โอ้แหมตอบสักหน่อยจริงจริงนะเรื่องเรื่องจริงจริงนะครับถ้าเหมือนกันก็ต้องเป็นพระเจ้าแผ่ดินโอ้เนื่องจานเป็นพระที่ไม่เป็นพระเจ้าแผ่ดินก็เพราะว่าไม่เหมือนไม่เหมือนครับ เข้าใจสอบนี่เรื่องนี้มีคนมาเล่าบ่อยนะใช่มาบ่อยหาว่าอย่างงั้นอย่างนี้ก็ไปนันว่าอย่างนี้ว่าอืมไม่ใช่กันแล้วกันนะเพราะมันไม่ใช่เป็เจ้าแผ่นดินหลวงพ่อเจ้าขาลูกมีลูกชายอยู่หนึ่งคนยังพูดไม่ได้เลยหมอว่าเป็นโรคทางสมองหาพระหลายองค์แล้วรักษาไม่หายบนว่าจะถวายลูกให้เป็นลูกหลวงพ่อโสธรปรากฏผลก็คือว่าเหมือนเดิมลูกก็เลยเปลี่ยนแผนใหม่ ว่าถ้าหากว่าเอามาถวายหลวงพ่อแล้วคงจะพูดเก่งเหมือนหลวงพ่อเป็นแหน่เป็นแน่หลวงพ่อจะขาถ้าจะมาถวายจริงๆหลวงพ่อคิดว่าจะต้องนําอะไรอะไรมาเป็นพิธีกรรมบ้างเจ้าขาไม่ต้องไ ม, ไม่เอาอะไรเลยเหรอครับเขานํามาเองเอางี้แล้วกันอย่าไทยครับหลวงพ่อครับอันดับแรก ป, ปั๊บหากระจังไว้ก้อนหนึ่ง เ, <อ>เป็นค่ารถค่ารถของไครหลวงพ่อหรือของใไม่ใช่มันค่ารถนาเด็กมานาเด็กมานำเด็กมา ค่อสองบอกว่าถวายเป็นลูกค่อยสามถวายแล้วูได้ไม่ได้ไม่รู้โอ้รับรองอย่างนี้เลยเหรอครับใช่อโหไอ้เ่องของปรสามันแก้ยังไงแล้วไอ้เรื่องกดแห่งกรรมเะเอาันี้ดีกว่าบอกหลวงพ่อสี่องค์ดีกว่าโอ้ดีไปเับเออมืยาลัยก็ไปบนญหลวงพ่อสี่องค์วัดท่าทุงนนะเอออันนี้ดีกว่า มัญหาย่งนี้ก็<ะ> เ, เ, เปิดปานะใช่กราบนี่ผมผมเห็นด้วยเห็นด้วยครับ อ, รอ่าดรสถิตวัชร ก, กิตติตอ้าวตายแล้วเอาที่ตนก็นได้เอาผมจะผมจอตรงนี้คงไม่ผ่านนะอ้าวขอฝันนิดหนึ่งลา้าหลวงพ่อจุกนลบ่างสูงกล่าวกระหม่อมฝันเห็นคนทร ง, งลักษณะเป็นพญายมหลวงพุทธมาลาชอะไรอะไรนะลักษณะเป็นพยายมหลวงพุทธมาลาช พุทธก็ไม่พุทธพยามก็ไม่ยาลมนะเอาพุทธพยารมมาลาดกันนะท่านมาบอกชี่หน้ามาที่ผมบอกว่าเองจะหมดตัวเองจะหมดตัวเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วเกิดความไม่สบายใจเป็นอย่างมากจะมากราบเรียนถามพึ่งหลวงพ่อว่าหลวงพ่อมีวิธีจะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรขอได้โปรดที่แนะด้วยเถิดขอรับ เอางี้ดีกว่ายังไงครับพ่อฝพึกกรรมาฐานไปหาท่านโดยตรงความฝันนี่มันไม่แน่นอนนักนะโอความฝันนี่ก็ว่าฝันถ้าปไปเทพไปยิงหอนก็ตรงไปตรงมาลาบเขาถอนคำเริกเขาใช้ไม่ได้จะไปยิงวันกังวันก็ใช้ไม่ได้ก่อนสองยามเขาใช้ไม่ได้อฝึกกรรมาฐานไปติดต่อไปถามท่านโดยตรงดีกว่า ถ้าบังเอิญไปพบท่านแล้วท่านบอกว่ามันมีกฎข้องกรรมกรับฐานนะว่ามีทางใดบ้างไหมที่จะรลีกเรี่ยงหรือจะแก้ท้องให้ดีกว่าอี่เพราะมันมีทา ง, างแล้วพอทําได้เรียกว่าไปสายตรงเลยใช่ใช่ดีกว่าครับครับครับหลวงพ่อเจ้าขาเออ่ลูกก็ไม่เชื่อแล้วแต่ก็ไม่ไว้ใจใช่่เพราะฮะถูก <laughs> ไม่เชื่อจะไม่ไว้ใจอก็อแสดงว่าเชื่อแง่ที่หมอดูเขาทายว่า<อ>ลูกจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ในฐานะที่ลูกเป็นลูกหลวงพ่อนับถือหลวงพ่อลูกไม่ยอมเชื่อเลยจริงแต่ให้ได้ใช้ได้แต่เหตุการณ์ที่เขาถายที่เจ้าครับลงเปะ๊ปะเปะ๊ปะเปะ๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะมดทุกอย่างเราก็ไปเชื่อ <laughs> อูไม่เชื่อสักอย่างไม่เชื่อสักอย่างอืให้เปะไงก็ไม่เชื่อไม่ใช่เราไม่เชื่อนี่หลวงพ่อเปะมาอย่าลืมนะว่าหมอดูที่เ้าเก่งๆและตรงนะโอ้ฉันเคยเดินไปถาหมอดูโอ้มีมนต์ดูยกทรงสัหน่อยนะครับแม่ไหนก็มาเจอมอยากจะดูอยากจะดูทุกอย่างไหมล่ะเอาเอฮะก้องเป็นบางอย่างต้องกระร้าไปได้ไปได้ แต่เดี๋ยวเห็นหน้ามันก็แจ่มใสแต่เเคราะอยู่ข้างในอาจจะมีมันมองไม่เห็น<อ>ต้องแก้เสื้อถอด้าง <c oughs> เอาคนโป๊ะๆติดกอใจลงนี่เลยนะ <c oughs> เออกลับครับเป็น ไ, ไ, ไงครับเรื่องหมอดูที่ว่าเมื่อก่อนไม่เคยเรียนมันได้ผลจริงจร<อ>ิงตรงแต่ว่าถ้าหมอดูต้องเชื่อตำรานะครับครับถหมอดูเกินตำราตรงก็ไม่ตรงครับครับตำราเขาเก่งครับครับได้ได้เออ ที่ก็จะเรียนถามก็คือว่าในเมื่อเป็นลักษณะเช่นนี้แล้วก็หลวงพ่อมีคำแนะนำอย่างไรเช่นทําบุญให้ทานารักษาสิงเจริญภาวนาน<อ>นเพื่อฉันไม่ให้หาหลวงพ่อเสียองนอนท<อ>์ออดีเนี่ยอะไรล่ะก็เสียงก็อะไรก็อะไรไปนะครับเขามีการแก้บนกันทุกวันที่วัด<อ>มาตานยาบะไกลๆนะแก้บนกันเรื่อยๆแสดงว่าท่านมีผลครับครับ อย่างนั้นก็ใครทุบร้อนเดือดร้อนอะไรอะไรนะก็ขอได้โปรดไปที่พระสี่องค์เถอะเวล า, ถ, าถ้าจะบนก็ไปอ่านดูก่อนแล้วเขาเขียนไว้สี่ข้อให้เหลือข้อตรงนะไม่ต้องมีนิเกละครไม่ต้องมีอะไรเอ็นปีมันจะเปลืองอเปล่าครับครับก็ไม่มีความจาเป็นต้องเปลืองนนะครับคบแม้อย่างบางบางคน <c oughs> มันไม่ค่อยสะดวกท่านพ่อนะบางทีก็ขอจุดธูปแล้วก็ขอบนว่าอย่างนี้ ว่ถ้าเรื่องนี้สําเร็จแล้วจะฝากหลวงพ่อแก้ไปที่คือไม่ต้องไปเองฝากหลวงพ่อไปก็จะได้ฝากฝากหลวงพอ่อเฉยๆอยากฝากหลวงพ่อแกไหมครับแหมก็น่าจะแม่ตาหน่อยเพราะก็หลวงพ่ อ, อ, พอกันนะครับไม่โทษเคยจะหน้าคนเนี้ย อ, าอ้าวควคนละแควเลยเขาแก้กันเรื่อยๆที่นี้่มันเป็นไรล็ได้ อ, อ๋อแต่ต้องเวลาบนต้องพูดให้ใ ห, ให้เรียบร้อยรอบครอบซะก่อไม่นนะมเป็นไรบนท่านที่นอนก็ได้แต่ว่าอย่าไปจอะจ้องไว้จะต้องมาถวายที่ตรงนั้น Oh. บนท่าช่วยถ้าช่วยเหลือได้ตามนี้จะขอถวายอย่างนี้ oh. แล้วก็เวลารั้งกรรมมาแก้ที่นี่ได้ครับครับถ้าเจาะจงโดยสถานที่ต้องไปที่นั่นเปลีป่ยนแปลงไม่ได้โอ oh. ้อย่างนั้นก่อนจะบนก็ให้รอบครอบซะหน่อยนะส่วนมากเวลาจะบนก็หมายว่าปลื้มป ล, ป ล, ป ล, ปลเวลาจะแก้ยังไงก็เออเราพูดอะไรไปบัางเนาะไม่อันนี้เยอะเลยเคยไปถามก็เคยมีเหมือนกันหรืครับมีน้อพ่อเะดูช่วยดูด้วยใช้บนอะไรไว้บ้าง โอ้ยยิ่งหนักกว่านั่นอีกนึงนะใช่ใช่แล้วไม่รู้บนไม่ใช่เฉพาะสีองค์บนไม่ไหลายไม่รู้องค์บนไหนบ้างโอ้ยยิ่งหนักกว่ามีหลายรายการกลาบราบการงานก่อนบนก็ใหลรอบขอบซะก่อนนะอ่าทีนี้ก็บอกว่าหลวงปาดเท้าหลวงก้อที่กรลบอย่างสูงยิ่งคือว่าที่บ้านสองลูกมีทุกอย่างพระพุทธธรรมพระสงฆ์พระเทพพุทธอะไรเทวะอะไรต่างๆ มีคนเขาบอกว่าเออลองเอาเอะไรเจ้าแม่พริมไปบูชาบ้างจะทำให้เจริญรุ่งเรืองแล้วลูกก็เลยซื้อมาจากอะไรวัดราชนัดดาเมื่อนำมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตั้งตรงไหนดีจะตั้งกับพระพุทธก็เห็นก็เป็นผู้หญิงจะซื้อโต๊ะใหม่จะตจะตุ้งสตัางก็ไม่มีขอให้หลวงพ่อช่วยชี้แนะวิธีตั้งสักครั้งเถิดเจา้าค่ะไม่ต้องตั้งห้อยก็ได้ องค์ให่ห <c oughs> ้อยได้หรือครับได้ห้อยคอไว้ปลอดภัยดีกันเลยก็หาตัวเล็กๆมาเล็กๆถ้าตั้งหะตัวพระพุทธรูปตั้งให้ต่ำกว่าโอต่ำลงมาหน่อยท่านต่ำกว่าไม่เป็นไรนะเพราะท่านคนอิ่มจริงๆเดิมทีอ๋อควรเราไม่ใช่คอนเหรอควรตต่ นี่เขียนมาคอนอิมอ่ะไม่ใช่หอโอ้ใช่คนคนโกลองนะโอ้่อนอิมไม่น้าสาว <laughs> โอ้ควรั่นพี่าาใช่ใช่ใชโอ้ <laughs> ไอ้สันก็ไม่เดาสังเกตกันไม่ได้ฟังก็